ทันธรรมยามปัปปัติธานคาทาโยนามตถะปุญญาสิธานิคตาชาญาณญาณิทตาญาณิเมสังญญาภาคินุสุตตาชาณะพเมานกาสังขารไม่มีวิสุทไม่มีกรรมาน ที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบาชีแย่แห่งคนอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเทพิยาคุณวันตาจามัยังมาตาปิาชาเชลยเทตามิตาประหยัิชาวาอันเยมัตกัสเวริโนเพื่อจะเป็นสัตว์เราได้ เพื่อเป็นที่รักข้าและมีบุญคุณเช่นมาดาบิดาของข้าพรเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพรเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีศาสตราอื่นที่เป็นกางการหรือเป็นผู้เห็นกันก็ดีพาะราชิท่านเดียวกับสมิงเสกุมลัยจัตุโยนิกา เจ้าจัตุโอการสังสารต้าสวะเสวะจะทังหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมทั้งสานอยู่ในกำเมิดสังถิมีขันหะขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังก็เที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี ญาติทังเนยปฏิบติารมในอนุโมทนาุกทีย่างเจดียมั่นและพระเานั้นติเต่วาจะทำมิเวชยุงศาสร์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วศาสตร์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดควศาสตเหลาใดยังไม้รู้ส่วนบุญที่ โอเทวาาตังไนจงบอกสัตวานในโลกปายาจินานาปุญญาณานุโมทนาเอตุนาาเพสัสตาัสอนตุอเวรสุขาจิลิอ๋อเอมาสัทฐานจัปัปปุตเตสัสสิจังสุภา เพราะเหตุที่ได้หารุโูมธนาส่วนดุจที่พระเจ้าแป่ให้แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นทู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจงถึงบทอันจะเจ็เข่าวเปือกคลาดิพานความปรารถนาที่งามของข้าเหล่านั้นจงสำเร็จเชิด